สมุดฐาน13าในวันอุโบสถพระภิกษุและภิกษุณีย่อมสวดสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติไว้ในวิพังทั้งสองข้าพเจ้าจะกล่าวสมุดฐานตามที่รู้มา ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าเถิดปฐมปา ร, ราชิกสิกขาบททุติยปา ร, ราชิกสิกขาบทถัดจากนั้นสันจริตะสิกขาบทสมนุภาตสิกขาบทอติเรกจีวรสิกขาบทเอระกะโลมะสิกขาบทปท ะ, ะโธธรรมสิกขาบท ภูตาโรจนะสิกขาบทสังวิธานะสิกขาบทเถยสะสัทธะสิกขาบทเท е สนาสิกขาบทโจรีวุฒานะปณะสิกขาบทรวมกับการบวชสตรีที่บิดามารดาหรือสามีไม่อนุญาตรวมเป็นสมุทฐาน13าในอุพโตวิพังนี้ ในแห่งสมุดฐานทั้งสิบสามนี้วินยูชนทั้งหลายคิดกันแล้วย่อมปรากฏคล้ายคลึงกันในแต่ละสมุดฐาน